ชูโชคพรามพาระรัตวาชโคตนั้นเมื่อเดินไปตามทางที่เจตบุตรพรานป่าแนะให้ก็ได้พบอัจจุตฤษีครั้นแล้วได้เจรจาปราศัยกับอัจจุตฤษีไต้ถามถึงทุกสุขว่าพระกุณเจ้าไม่มีโรคาพาดเบียดเบียนหรือเป็นสุขสบายดีหรือเยียวยาอัตภาพด้วยการสแสวงหาผลไม้สะดวกหรือ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 อันหนึ่งท่านไม่ได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้าไปภายในเชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านผลมะพรบผลมหาดผลมะสางผลหมากเมามีรสหวานคล้ายน้ำพึ่งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีดีแม้น้ำฉันก็เย็นสนิทเรานำมาจากซอกเขาแน่มหาพรามถ้าท่านจำานงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิดชูชกกล่าวว่าสิ่งใดอันพระคุณเจ้าให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรรณาการอันพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างข้าพเจ้ามาแล้วเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรราชฤาษีราชโอรสของพระเจ้ากรุงสันชัยซึ่งพลัดพรากจากชาวศรีพีมาช้านาน ถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับโปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดดาบทกล่าวว่าท่านมานี่เพื่อเป็นศีสวัสดเพื่อเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่เราเข้าใจว่าท่านปรารถนาจะมาขอพระอัครมเหสีผู้เคารพนบน้อมพระราชสวามีไปเป็นภรรยา หรือมิฉนั้นท่านก็ปรารถนาจะมาขอพระกันหาชินาราชกุมารีและพระชาลีราชกุมารไปเป็นทาตทาสีหรือไม่ก็มาเพื่อจะนาเอาพระมารดาและพระราชกุมารและพระราชกุมารีทั้งสามพระองค์ไปจากป่าแน่พรามโภคสมบัติทรัพย์และข้าวเปลือกของพระองค์ท่านมิได้มี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 มูไม้คือไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะห์เถาย่านสายย่อมวันไหวไปตามลมดังมานกดื่มสุราคลาวเดียวก็ส่วนเซไปมาอยู่ฉะนั้นท่านจะได้ฟังเสียงฝูงนกคือนกโพระดกนกดูเว่านกกระลางอันจับอยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงเพลงขับ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 อันมีผลบริโภคได้เป็นอันมากน้ำใสสะอาดกลิ่นหอมดีสีดังแก้วไผ่ทูลเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาไหลหลังมาในป่านั้นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจในที่ไม่ไกลอาสมนั้นมีสะโบกครณีดารดาษไปด้วยปทุมชาติและอุบลเหมือนดังที่มีอยู่ในนันทนวันของทวยเทพแนพราม ในสะนั้นมีอุบลชาตสารชนิดคือเขียวขาวและแดงงามวิจิตมากมายพระดาบทกล่าวว่าในสะนั้นมีปทุมชาติดาดตื่นสีขาวดังผ้าโคมพัดสะนั้นชื่อว่ามุจจรินดารดาดไปด้วยอุบลขาวจงกล น, นีและผักทอดยอดอนหนึ่งเล่า ปทุมชาติในสะนั้นมีดอกบานสะพรัง่งปรากฏหากำหนดประมาณไม่ได้บ้างก็บานในขิมหันตรดูบ้างก็บานในเหมันตรดูแผ่ไปเหมือนตั้งอยู่ในน้ำลึกประมาณเพียงเขา่าปทุมชาติอันงามวิจิตชูดอกสพรัง่งทรงกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปมูพมรโผลผินบินว่อนเสียงวู้วู้อยู่โดยรอบ เพราะกลิ่นหอมแห่งบุพชาติแน่พรามอันหนึ่งเล่าที่ใกล้ขอบสะนั้นมีต้นไม้หลากหลายขึ้นอยู่คือต้นกระทุ่มต้นแคฝอยและต้นทองหลางพริดอกออกสะพรั่งไม้ปูไม้ซากต้นปาริชาติดอกบานสะพรั่งต้นกากะทิงต้นไม้เหล่านี้มีอยู่ที่สองฟากสมุจรินต้นซึกต้นแคขาว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 ต้นตรงไม่คดงอดอกบานตั้งอยู่สองข้างอาสมโดยรอบเรือนไฟอันหนึ่งพันไม้เป็นอันมากเกิดขึ้นใกล้ขอบสระนั้นคือตะไคร้ถั่วเขียวถั่วราชมาศสารายสันตาวาน้ำในสระนั้นถูกลมรำเภยพัดกระเพื่อมเป็นระรอกกระทบฝั่งมีหมูมแมลงหิงคู่ชาญ บินวูวน่ว่นเคล้าเอาเกสรดอกไม้ที่แย้มบานในที่นั้นมีสีเสียเทศเต่าร้างผักบุ่งรวมมีมากในที่ต่ำพรามต้นไม้ทั้งหลายถูกปกคลุมไปด้วยเถาสลิดกล้วยไม้กลิ่นแห่งบุพชาติดังกล่าวแล้วนั้นห อ, อมตลบอยู่เจ็ดวันไม่พลันหายบุพชาติเกิดอยู่เรียงรายสองฝั่งสมุจริน ป่านั้นดาระดาดไปด้วยต้นราชพฤกษ์ย่อมงดงามกลิ่นดอกราชพฤกษ์เป็นต้นเหล่านั้นหอมตลบอยู่กึ่งเดือนไม่เลือนหายอันชันเขียวอันชันขาวกลุ่มแดงดอกบานสะพรั่งป่านั้นดาระดาดไปด้วยอบเชยและแมงลักเหมือนดังจะให้คนเบิกบานใจด้วยดอกไม้และกิ่งไม้อันมีกลิ่นหอม เหล่าพอมอนโผผินบินว่อนเสียงวู้วู้อยู่โดยรอบเพราะกลิ่นหอมแห่งบุพชาติแน่พรามณ์ณนะที่ใกล้สะนั้นมีฟักแฟงแตงน้ำเต้าสามชนิดชนิดหนึ่งผลโตเท่าหม้ออีกสองชนิดผลโตเท่าตะโพนอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีผักกาดกระเทียมหอมประกอบด้วยใบเขียวเป็นอันมาก ต้นเต่ารังตั้งอยู่สล่างดังต้นตาลผักสามหาวมีเป็นอันมากขึ้นอยู่ริมน้ำพอเอื้อมเด็ดได้มะลิวันนมตำเรียเถาญ้านางอบเชยอโศกเทียนป่าบราเพชดดอกเข็มหางช้างอังกาบกากะทิงมะลิกระลำพักทองเคลือดอกแย้มบานสะพรั่งขึ้นขนาน ร่างแดงต้นชุมแสงขึ้นแสงแทกคัดเขาและชะเอมมลิซ้อนงอนไก่เททาโรแครฟอยไยทะเลกันนิกาดอกเบ่งบานงามปรากฏดังตาข่ายทองเปรียบด้วยเปลวไฟปุพชาติเกิดบนบกและที่เกิดในน้ำปรากฏมีในสระนั้นทุกอย่างสมุจรินมีน้ำมากเป็นที่รื่นรมด้วยประการชนิด อันหนึ่งในสระนั้นมีปลาซึ่งว่ายอยู่ในน้ำมากมายคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกจระเข้ปลามังกรปลาฉลามณนะที่ใกล้สระนั้นมีชะเอมต้นชะเอมเคลือบกำยานประยงเนระภูสีแห้วหมูสัตตบุตรสมุนแวงพิมพ์เสนสามสิบและกลิศนา เถากระไดลิงมีมากมายบัวบกโกดขาวกระทุ่มเลือดต้นนาดขมิ้นแก้วหอมพอรดานคำคูนสมอพิเภกไคร้เครือกระบูลและรางแดงอันหนึ่งในป่านั้นมีสัตว์หลายจำพวกคือราชสีห์เสือโครง่งยักษิศีีน้าลาช้างพังช้างพลายเนื้อสาย เนื้อฟานละมั่งนางเห็นหมาจิ้งจอกหมาในบางกรอกจามรีเลียงผาสมันข้างลิงลิงจุนกวางกระทิงมีวัวเถื่อนมีมากมายแรดหมูพังพรนงูเห่ามีอยู่ที่ใกล้สะนั้นเป็นอันมากกระบือหมาใน มาจิ้งจอกกิ้งกาจะกวดเหี้ยเสือดาวเสือเหลืองมีอยู่โดยรอบกระต่ายแรง้งราชสีและเสือปลามีอยู่มากหลายมีสกุลชาติมากมายคือนกกวักนกยูงผงขาวไก่ฟ้าไก่ป่าไก่เถื่อนนกหัสดีลิงร่ำร้องหากันและกันนกยางโทน นกยางกรอกนกโพระดกนกต้อยตีวิตนกกระเรียนเหยี่ยวดำเหยี่ยวแดงนกช้อนหอยนกพริกนกขับแคนกแขวกนกกดนกกระเต็นใหญ่นกนางแอ่นนกคุ้มนกกระทานกกระทุงนกกระจอกนกกระจาบนกกระเต็นน้อยนกกลางเขนนกการะเวกนกแอ่นลมนกเงือก นกออกสมุจรินเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงนกนานาชนิดกึกกล้องไปด้วยเสียงสัตว์ต่างๆอนหนึง่งที่ใกล้สะนั้นมีนกมากมายมีขนปีกงามวิจิตรมีเสียงไพราะสนาะโสดย่อมปราโมทอยู่กับคู่เคียงส่งเสียงกู่ก้องร้องหากันและกันอนหนึง่งที่ใกล้สะนั้น มีฝูงสกุณาที่ชาชาติส่งเสียงร้องไห้เราะไม่ขาดสายมีตางามประกอบด้วยหางตาขาวมีขนปีกขนหางงามวิจิตอนหนึง่งที่ใกล้สะนั้นมีฝูงนกยูงส่งเสียงร้องไห้เราะไม่ขาดสายมีสร้อยคอเขียวส่งเสียงร้องหากันและกันไก่เถื่อนไก่ฟ้านกเป้านกนางนวลเหยี่ยวดำ เยี่วนกเขานกกาน้ำนกแขกเต้านกสาลิกาอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีนกเป็นอันมากเป็นพวกพวกคือเหลืองแดงขาวนกหัดสดีลิงพญาหง์ทองนกกาน้ำนกแขกเต้านกดูว่าวนกออกหง์ขาวนกช้อนหอยนกเข้าแมวห่านนกยาง นกโพ ร, ระดกนกต้อยตีวิตนกพิราบผงแดงนกจากพรากนกเป็ดน้ำนกหัดสดีริงส่งเสียงร้องน่ารื่นรมใจเหล่าสกุณาทิชาชาติดังกล่าวแล้วต่างก็ส่งเสียงกูร้องหากันทั้งเช้าและเย็นเป็นนิรันด์อันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาทิชาชาติมากมายสีต่างกัน ย่อมบันเทิงอยู่กับคู่เคียงส่งเสียงกู่ก้องร้องหากันและกันอนหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณนาทิชาชาติมากมายสีต่างๆกันทุกๆตัวต่างส่ ง, งเสียงอันไพเราะระงมไพรที่ใกล้สองฝั่งสะมุจรินอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาที่ชาชาติชื่อว่าการเวกมากมาย ย่อมปราโมดอยู่กับคู่เคียงส่งเสียงกูก้องร้องหากันและกันอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อว่ากาโรเวกทุกๆตัวต่างส่งเสียงอันไพเราะระ ง, งมไพรยอยู่ที่สองฝั่งสมุจรินป่านั้นเกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อสายและเนื้อฟาน เป็นสถานที่เสพอาศัยของช้างพลายและช้างพังดาดเดินไปด้วยเถาวันนานาชนิดและเป็นที่อาศัยของฝูงชมดอันหนึ่งที่ป่านั้นมีธั ญ, ญชาติมากมายคือหญ้ากับแก่ลูกเดือยข้าวฟ่างข้าวสาลีอ้อยมิใช่น้อยเกิดเองในที่ไม่ได้ไถทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียว เป็นทางตรงไปจนถึงอาสมคนผู้ไปถึงอาสมของพระเวสสันดร น, นั้นแล้วย่อมไม่มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดีพระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศเป็นพรามทรงขอสำหรับสอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาสมนั้นชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์พรมครั้นสดับถ้อยคำของอัจจุตฤษีกระทาประทักษิณมีจิตชื่นชมโสมนัสอํลามุ่งหน้าไปยังสถานที่ประทับของพระเวสสันดรมหาวนาว น, นา จบ